นโมทัดสัภะวะโตอระหะโตสมมาสมบุติสักนโมทัดสักภะวะโตอระหะโตสมมาสมบุติสักนโมทัดสัภะวะโตอระหะโตสมมาสมบุติสักสะเ a สรังฆาราอนิจเต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 มีความผ่องใสแห่งใจเป็นที่สุดให้พอสมควรแก่วันธรรมมัต ส, สวระคคือวันแห่งการฟังซึ่งทมอันเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งแต่ก่อนที่จะได้บรรยายธรรมต่อไปก็ขอให้ทุกท่านได้สำรวมกายวาจาและทำจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่กับตัวบางท่าน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 อาจจะทำให้เสียซึ่งประโยชน์ที่จะได้จากการฟังซึ่งพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระศาสดาวันนี้ก็เป็นวันระ8แปดค่ำก็เป็นแปดค่ำสุดท้ายก่อนที่จะออกพรรษาปีนี้มีเดือนแปดสองขลก็เลยออกพรรษาช้าหน่อยช้ากว่า หลายๆปีแล้วก็วันออกพรรษานี่ก็เป็นวันที่จะตรงกับวันสิ้นพระชนของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆาปรินายกด้วยซึ่งก็อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ซึ่งทางวัดก็มีการจัดบำเพ็ญพระกุศลด้วยอุทิศถวายก็ ที่ผ่านมาวันที่สิบสามนะก็เป็นวันครบสองปีที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าของเราก็ได้เสด็จสวรรคตไปนะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าไม่มีใครที่อยู่ยั่งยืนคำฟ้าไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำแต่คุณงามความดีนะเหมือนอย่างองค์ในหลวงของเรา อย่างคงสมเด็จพระสังฆราชของเรานะไม่ว่าจะเป็นคนที่ประกอบแต่กรรมชั่วไม่ว่าจะเป็นคนที่ประกอบกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามนะก็ต้องถึงวันที่จะต้องละจากโลกนี้ไปเท่ากันมันก็แสดงความเป็นจริงให้เราได้เห็น ความเป็นจริงที่ที่เรารู้กันอยู่แต่บางทีเราไม่ได้เอามันมาใส่ใจเราไม่ได้เอามันมาเตือนเราเรารู้ว่ามันเป็นความจริงนะแต่เราชอบที่จะไม่ดูไม่สังเกตแล้วก็ไม่ใส่ใจกับมันเพราะอะไร เพราะว่าถ้าเราไปดูไปรู้ไปสังเกตมันเข้าเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราจะเกิดความไม่ชอบนะมันค้างกับใจของเราเพราะว่าใจของเราเราอยากให้มันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนอยู่กับเราอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฟูงพ่อแม่พี่น้องหรือแม้กระทั่งข้าวของต่างๆเนี่ยเราก็ถ้าเราถามตัวเอง ถามใจตัวเองนะให้ดีแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ณนปะัจจุบันณนะตอนนีนะ้เราก็ไม่เคยรู้สึกว่าสักวันหนึ่งมันจะจากเราไปสักวันหนึ่งมันจะต้องพัดพลากจากเราไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเพื่อนฟูงพ่อแม่ญาติพี่น้องเหล่านี้ใจเรามันก็สวนกับความจริงอันนี้ซึ่งเวลาเราอยู่กับคนที่เรารัก ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงนะเราก็มีความรู้สึกว่าเราจะอยากจะอยู่ด้วยกันไปนานๆจนแก่จนเฒ่าจนถึงวันหนึ่งเราเราก็ไม่อยากให้อวันสิ้นสุดอันนั้นมันมาถึงถึงแม้เราจะรู้อยู่ก็ตามว่าสักวันหนึ่งใครๆมันก็ตายกันตายจากกันไปแต่ใจเราตั้งหาที่มันยังไม่รับความจริงข้อนี้เอาไว้อยู่ในใจ เพราะฉะนั้นเวลาที่ความจริงเหล่านี้เนี่ยมันมาปรากฏให้เราได้รับรู้ให้เราประสบกับมันสิ่งหนึ่งก็คือเราจะทำใจไม่ได้อย่างเช่นเวลาที่คนรู้จักเราครอบครัวเราเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นอย่างเงี้ยตาย พอตายแล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุตายมันปรุปรับเราไม่เคยทําใจไว้ก่อนเลยว่าสักวันหนึ่งเขาจะจากเราไปวันนี้พรุ่งนี้เขาจะจากเราไปพอมีโทรศัพท์มาทราบข่าวว่าอา้าวันนี้พ่อแม่ของเราได้ประสบอุบัติเหตุญาตพี่น้องของเราประสบอุบัติเหตุอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ตายอย่างนี้เราก็จะรู้สึกว่าอา้าว เกิดความรู้สึกเศร้าเสียใจเพราะว่าคนที่เรารักได้พลัดพรากจากเราไปแล้วแต่แน่นอนมันเป็นเรื่องธรรมดาความพลัด พ, าพรากพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้แล้วว่าความพลัดพรากมันก็เป็นความทุกข์เป็นหนึ่งในความทุกข์ที่ท่านตรัสบอกเอาไว้อยู่เป็นประจำๆนะชาติคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจเหล่านี้ความพลัดพลากจากสิ่งที่รักอยากได้สิ่งใดและไม่ได้หรือได้ในสิ่งที่เราไม่อยากได้เหล่านี้เนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเรารับรู้คำสอนเรารับรู้ข้อมูลตัวนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ทาไมเรายังรู้สึกว่าเรา มีความคับแค้นมีความทุกข์ที่มันทำร้ายทำลายจิตใจของเราอยู่ได้ก็เพราะเรารับฟังนะแต่เราไม่ได้รับนำมันไปปฏิบัติที่ใจของเราความเข้าใจมันก็มีอยู่สองอย่างความเข้าใจที่เราจำได้จำได้ว่าเขาพูดอะไรแล้วก็มันถูกถูกต้องมีเหตุมีผลไหม อันนี้มันก็เป็นความเข้าใจในระดับหนึ่งแต่ความเข้าใจอีกระดับหนึ่งที่ในทางพระพุทธศาสนาเน้ยเ น, นย้ำแล้วก็พยายามย้ำเตือนอยู่เสมอว่าต้องทำให้มันปรากฏให้ได้ mm hmm. ก็คือความเข้าใจที่มันลึกซึ้งลงไปอยู่ในใจให้ความว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ใจก็ยอมรับด้วยว่ามันเป็นทุกข์ สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเกิดทุกข์ใจก็รับรู้รับทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเกิดทุกข์รับรู้รับทราบว่าความทุกข์เนี่ยที่มันมีมันไม่มีอะไรยั่งยืนเิ่งแท้อยู่แล้วแม้แต่ความสุขก็ตามความสุขที่เรามีที่เราได้ที่เราหาได้ที่เราเสพอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้คงที่คงตัวมันมีขึ้นแล้วมันก็มีลงแล้วมันแล้วมันก็มีดับไปเป็นธรรมดา ความทุกข์ก็เช่นเดียวกันมันมีมากขึ้นมันมีน้อยลงแล้วมันก็มากขึ้นแล้วมันก็น้อยลงแล้วมันก็ดับไปอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาตามธรรมชาติของมันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่เราใจของเราเนี่ยมันไม่ธรรมดาพอมันไม่ธรรมดา มันก็เลยจะต้องรับความทุกข์เอาไว้เพราะอะไรเพราะความที่มันเป็นธรรมดาของมันคือมันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปได้มันไม่อยู่คงตัวถึงแม้ว่าจะดูควบคุมได้บ้างแต่มันก็ควบคุมไม่ได้ทั้งหมดสักวันหนึ่งมันควบคุมไม่ได้แน่นอนสักวันหนึ่งมันต้องแตกสลายหายไปแน่นอนแต่ใจเราเนี่ยมันสวนทางกับความจริงอันนั้น ใจเราสวนทางใจเราอยากให้มันอยู่คงตัวอยู่ยั่งยืนอยู่ถาวรหรือมีน้อยก็ต้องมีมากขึ้นไปตลอดลดลงไม่ได้และสุดท้ายก็คือมันจะต้องอยู่กับเราห้ามที่จะลดลงหรือแม้กระทั่งห้ามที่จะให้หมดไปดับไปอันนี้ในด้านของความสุขแต่พอในด้านของความทุกข์แล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้มันไปเร็วๆอยากจะให้มันหมดไปเร็วๆ หรืออยากให้มันกลับกำเริบขึ้นมาอีกนะซึ่ง ด, ดูไปแล้วเนี่ยใจเราก็เป็นใจที่ค่อนข้างลำเอียงอยู่พอสมควรเอาแต่สุขอย่างเดียวความทุกข์เราไม่เอานะแต่ถามว่าถ้าใจเราเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกเงื่อนไขของความเป็นทุกข์นะเพราะว่าเราสวนทางกับความเป็นจริง ถ้าคนที่ยังไม่ไม่คล้อยตามไม่น้อมไปตามความเป็นจริงสิ่งที่จะได้รับเป็นผลก็คือเราต้องมีช่องที่จะให้ทุกข์มันโจมตีอยู่แน่นอนแต่ถ้าใจเราเข้าใจนะตามความเป็นจริงอยู่ได้เราก็จะมีเครื่องมือที่เราจะเอาไว้ดูแลจิตใจว่าเราจะไม่ ทำให้ทุกข์ที่มันมีเนี่ยมันมากขึ้นแล้วทุกข์ที่มันมีเนี่ยเราก็รู้นะว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องหายไปแน่นอนแต่มันไม่ได้หายไปเพราะตามอยากที่เราให้ให้มันดับไปเร็วๆไม่ใช่แต่มันดับไปเพราะมันหมดเหตุหมปัจจัยของมันซึ่งเวลาที่เรามีทุกข์แล้วเนี่ยเราอยากที่จะพ้นทุกข์เนี่ยแน่นอนความอยากตัวนี้แหละมันก็เป็นคอยเป็นตัวที่ มืนไฟที่มันคอยเผาใจเราอยู่เพราะฉะนั้นเวลามีทุกข์แล้วเนี่ยอยากให้ทุกข์มันดับเนี่ยมันมันค้านกับความความเป็นจริงที่จะแก้ทุกข์เวลามีทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรเวลามีทุกข์แล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเรามีหน้าที่เกี่ยวกับความทุกข์คือเราต้องกําหนดรู้ว่ามันคือทุกข์กิจที่ต้องทําในเมื่อมีทุกข์ คือแค่รู้อย่างเดียวรู้ว่ามันเป็นทุกข์เราไม่ได้มีหน้าที่ที่ว่าอยากให้ทุกข์มันดับไปซึ่งถ้าทำเกินความจําเป็นอยมีทุกข์เนี่ยเราอยากให้ทุกข์มันดับเนี่ยมันเกินความจําเป็นจากวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้ท่านแสดงไว้แค่ว่าให้เรากำหนดรู้ว่าตอนนี้มันมีทุกข์ก็ให้รู้ว่ามันมีทุกข์อยู่แต่พอเรา ทำเกินความพอดีนะคือเรามีความอยากที่ให้ทุกมันดับไปด้วยไอความอยากเกินความพอดีนี่แหละที่มันเป็นไฟคอยเผาใจเรานะเพราะอะไรเพราะว่าอยากแล้วมันไม่ได้ดังอยากมันเป็นทุกข์แน่นอนอยากได้สิ่งใดนะแล้วยังไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นทุกข์ที่มันย่ายีจิตใจอยู่เวลาที่มันมีความทุกข์แล้วเราก็อยากให้มันความทุกข์นั้นมันดับไปแต่มันยังไม่ดับ แน่นอนว่ามันก็ยิ่งเป็นดาบซ้ำสองทำให้ความทุกข์ที่ที่ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนมันจะดำเนินต่อไปได้อย่างเรื่อยๆแต่ถ้าเรากำหนดรู้ว่ามันมีความทุกข์แล้วดึงใจออกมาจากความอยากความอยากที่จะให้ทุกข์มันดับไปอันนี้เป็นสิ่งที่มันถูกต้องตามคำสอนที่พระพุทธ เ, เจ้าท่านได้แสดงเอาไว้ แล้วนอกจากทุกเนี่ยที่เรากำหนดรู้อย่างเดียวเนี่ยแล้วมันจะดับไปได้ยังไงมันดับได้อยู่แล้วเพราะว่ามันหมดเหตุหมดปัจจัยของมันอย่างเช่นเราเราโดนเขาว่าเขานินทาอย่างี้ซึ่งไอตอนที่เราได้ยินแน่นอนมันก็มีความขัดเคืองใจอยู่เป็นธรรมดาแต่ตอนที่ได้ยินไปแล้วมีความขัดเคืองอยู่แล้ว ถ้าโดยปกติเนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็จะคิดต่อแล้วว่าทำไมเขามาดา่าเราทำไมเราขัดเคืองอยู่ยิ่งขัดเคืองก็ยิ่งคิดยิ่งคิดก็ยิ่งขัดเคืองซ้ำเข้าไปอีกเป็นตน้นเพราะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือเรารู้ว่าเราฟังคำนินทาเข้ามาแล้วเรามีความทุกข์เกิดขึ้นคือความขัดเคืองเรารู้เท่าทันว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราแล้วเราก็มีสติ ดึงกลับมาไว้ที่ ท, ที่ควรจะอยู่ไม่ใช่ดึงสติกลับไปไว้ที่ความอยากที่จะคิดว่าเขานินทาเราทําไมเขาทำไมเขาต้องมานินทาเราแล้วเขาเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้จึงมานินทาเราอันนั้นมันก็เป็นผลของความอยากที่ทำให้เราคิดคิดคิดคิดแล้วก็เติมเชื้อไฟความเร่าร้อนต่อจิตใจของเราไปเรื่อย แต่ถ้าเรารู้เท่าทันว่าเวลาที่มีความขัดเคืองจากการที่ได้ยินได้ฟังเกิดขึ้นแล้วนะเราดึงใจออกออกจากที่เราจะไปคิดต่อหรือว่าจะไปพูดตอบโตนะ้เราดึงใจกลับมาไว้กลับมาไว้ตรงไหนกลับมาไว้ในที่ที่ควรจะอยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงมอบเอาไว้ให้หลายๆอย่างแต่ที่มันจะอยู่กับเราได้อยู่ตลอดเวลา ก็คือลมหายใจของเราเนี่ยแหละเวลาที่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะทรงตรัสรู้เนี่ยท่านก็ได้ทรงเอาใจมาไว้อยู่ที่ลมหายใจเป็นที่อยู่ที่อยู่ให้ใจเพราะฉะนั้นเราก็เอาลมหายใจเอาไว้เป็นเครื่องอยู่ทำแบบทันบ้างเอ า, าลมหายใจของเราเนี่ยมาเป็นเครื่องอยู่ให้ใจของเรา เราใจเรามาสนใจใส่ใจอยู่ที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจออกเท่านี้ก็ขึ้นชื่อว่าเราได้ดึงใจของเราออกมาจากความอยากอยากที่จะไปคิดอยากที่จะไปว่าตอบกล่าวตอบเพราะฉะนั้นวาจาเราก็จะเป็นวาจาที่สงบได้รังับได้ความคิดถึงแม้ว่ามันยังมีความคิดปรุงแต่งอยู่บ้างในทางขัดเคืองแต่ทีนี้มันก็จะ มีสติที่คอยรู้เท่าทันแล้วก็ดึงใจกลับมาไว้ในที่ที่ควรอยู่คือลมหายใจอยู่ได้เมื่อใจมันอยู่ในเครื่องอยู่ที่ดีอยู่ที่ดีในภายในแล้วเนี่ยเราก็หาเครื่องอยู่ในภายนอกที่มันดีด้วยทำไมเพราะว่าถ้ า, ายังไปอยู่ใน เ, เครื่องอยู่ในภายนอกที่ไม่ดีอย่างเช่นเขาด่าเราเราก็ยังอยู่ให้เขาด่าอยู่เรื่อยๆ นั่งฟังเขาด่าไปเรื่อยๆเนะี่ยแน่นอนมันต้องมีจังหวะที่เราก็รู้สึกทนไม่ไหวตามมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เดินเดินหนีนะไปอยู่ในที่ที่เขาไม่ด่าเราก็ขึ้นชื่อว่าเราจัดการทั้งภายนอกด้วยจัดการทั้งภายในด้วยเราจะบอกว่าเราจัดการแต่ในภายในอย่างเดียวเรามีเราเป็นนักภาวนาที่ดีเรามีความชํานาญทางด้านจิตใจ แต่แน่นอนว่าถ้ามันยังเติมอยู่เรื่อยๆเติมอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะมีศักยาภาพในการที่เราจะดูแลจัดการมันได้แต่สิ่งที่ที่ตามมาก็คือว่ามันก็เหนื่อยเปล่าถ้าคนฉลาดเขาก็ไม่ทำให้มันเหนื่อยเปล่านะเพราะนั้นถ้าลดเหตุปัจจัยภายนอกลงไปได้พร้อมกับมีเครื่องอยู่ที่ดีอยู่ในภายในเราก็ขึ้นชื่อว่าเราก็แก้ปัญหา คือความทุกข์ต้องภายนอกความทุกความทุกข์ต้องภายในของเราได้อย่างดีได้อย่างไม่เปลืองแรงได้อย่างผู้ชันฉลาดทีนี้พอ ว, ว่ามาด้วยถึงเรื่องว่าเวลาทุกมีความทุกข์เรากำหนดรู้แล้วเนี่ยแต่สิ่งที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยมันก็เป็นทั้งกระบวนการเพราะว่า <Yeah. S 1> พอเรารู้แล้วเนี่ยว่าทุก มีหน้าที่เราแค่กําหนดรู้นะแล้วเหตุเกิดทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าให้เราละมันแล้วรากเง่าก้ตนตอของเหตุเกิดทุกข์จริงๆเนี่ยถ้าเราสาวกันไปดีๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่จิตใจของเราเนี่ยแหละเหมือนอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยพอในเมื่อเขาด่าอยู่เนี่ยมันก็เป็นเหตุปัจจัยภายนอกแต่ถ้าเราไปอยู่ในที่ที่เขาตามมาด่าเราไม่ได้ เป็นตอนนี้แต่เรายังมีความหงุดหงิดอยู่ในใจยังมีความคิดอยู่ว่าเอ้ยทำไมเขามาดา่าเราทำไมมันไม่จริงเรื่องนี้ไม่ถูกมันก็เป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะตัวเราเองล้วนเลยอันนี้เป็นเพราะความขัดเคืองแล้วก็ส่งผลไปให้เป็นความอยากที่จะคิดอยากที่จะปรุงต่อไปในทางที่ว่าเขาทาร้ายเขาเบียดเบียนเขาตอบกลับไป ซึ่งถามว่ามันเป็นวิธีการที่แก้ทุกไหม ถ, ถ้าธรรมดาธรรมดาอาจจะเหมือนเป็นการแก้ทุกนะเพราะได้บ่นได้ว่ามันก็คือการได้ระบายเพอได้ระบายออกแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเราก็สบายใจขึ้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การแก้ทุกอะมันเป็นการแค่บรรเทาบรรเทาอารมณ์ลงไปเฉยๆยยไปนั้ น, นถ้าจะแก้ทุกจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมาดับ ดับความอยากคือใจเรามันไม่ใส่ใจในเรื่องนั้นๆได้น่ยมันไม่หงุดหงิดไม่ขุนเคืองแต่ถ้าเราได้ระบายแล้วเราเกิดมาคิดถึงเรื่องนั้นอีกมันก็ขุ่นเคืองอยู่ในใจอีกแล้วเราก็ต้องไปบน่นไปคิดไปว่าไปเจอคนนั้นก็บ่นให้คนนั้นฟังไปเจออีกคนนึงก็ไปบ่นให้อีกคนนึงฟังเหล่านี้อันนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเราก็มีความทุกข์ในเรื่องเดิมมันกลับมาซ้ําได้อีกแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่ ที่มันเป็นตัวกระตุ้นให้เรากลับไปคิดไปพูดนะก็คือความอยากอยู่ในใจของเราเนี่ยที่มันคอยกระตุน้นนะเอาตัวสัญญาเก่าๆมาคอยกระตุ้นให้เราคิดพูดทำเรื่องนั้นมันเอากับข้าวมาอุ่นใหม่นะเหมือนกับข้าวเรามาอุ่นกินซ้ำไปเรื่อ ย, เ ร, อ ย, เ, รอยเรื่อยนะี่แหละซึ่งถ้าเราเท่าทาันว่ามันอยากจะพูดอีกแล้วมันอยากจะคิดอีกแล้วแล้วเราวางความอยากนั้นไปได้อยากพูดอยากคิด รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเราวางเราไปได้เราปล่อยไปได้แล้วเราก็จะไม่ไปคิดไม่ไปย้ำไม่ไปพูดย้ำตอบย้ำให้มันกลับมาเกิดเริ่มขึ้นมาอีกพอมันเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยสักพักหนึ่งแน่นอนควรวางอยู่ที่ใจตัดรากเหง้าของความคิดคือความอยากอยู่ในใจตัดรากเหง้าของคาพูดคือความอยากอยู่ในใจออกไปได้ เพราะนั้นที่มันจะสรุปลงไปคือต้นตอของเหตุเกิดทุกข์จริงๆเนี่ยท่านสรุปไว้ให้แล้วก็คือธรรมะตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาวะตัณหาก็ <player. S 1> ค, คือความทย <JUN S 1> ัอน <lish S 1> อยากในใ จ, ในใจของเราเน<ด>ี่<ล>ยแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราคอยระมัดระวังความอยากที่อยู่ในใจเราได้เนี่ยก็คือชื่อว่าเราได้บริหารความความสุขความทุกข์ที่มันเป็นต้นตอจริงๆได้ แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าการที่เราจะบริหารมันได้อย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีมีเครื่องรู้ที่เราจะคอยรู้ใจเราอยู่ตลอดแต่เครื่องรู้ของเรามันมีอยู่แล้วนี่แหละก็คือสติของเราในแหละเรามีสติแต่ว่าสติที่เรามีเนี่ยเราไม่ค่อยเอามารู้ใจเราเท่าไหร่เราไม่ค่อยย้อนมันกลับมาอยู่ในภายในให้ใจเรามาดูใจตัวเอง รู้จักใจของตัวเองเพราะใจเนี่ยมันมีธรรมชาติที่มันคอยจะไปรู้แต่เรื่องของคนอื่ น, นรู้จักรูปอื่นรู้จักเสียงอันอื่นรู้จักรสกลิ่นอันอื่นเสียงอันอื่นสัมผัสอย่างอื่นแต่มันไม่ค่อยที่จะอยากมารู้เสียงของตัวเองรูปตัวเองกลิ่นรสสัมผัสของตัวเองเท่าไหร่ โดยเฉพาะความคิดนึกปรุงแต่งที่ใจของเราเนี่ยเรารู้ว่ามันมันไม่ค่อยที่จะมาดูเท่าไหร่รู้แต่ว่าคิดแล้วสนุกคิดแล้วดีคิดแล้วเพลินแต่ไม่รู้จักว่าเรากาลังคิดเนี่ยคิดแล้วมันคิดดีไหมคิดแล้วมันคิดในเรื่องที่มันบั่นทอนจิตใจไหมหรือว่ามันเสริมสร้างกำลังใจอันนี้เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าใจตอนนี้มันมันรู้อย่างเดียวว่าอะไรชอบ และอะไรไม่ชอบฟุ่ยง่ายก็คือทําตามอยากอยู่ในใจนี่นแหละเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ขึ้นมาในการบริหารจิตใจก็คือสอนให้มันรู้นะว่าอะไรถูกอะไรผิดและอะไรคือสิ่งที่ชอบและอะไรคือสิ่งที่ไม่ชอบต้องแยกออกจากกันให้ได้ถ้าเรารู้ว่าสิ่งอะไรที่เป็นสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบแยกได้ออกมาจากถูกและผิด ถาเราแยกอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเบื้องต้นที่เราจะพัฒนาจิตใจเราให้ได้ดีขึ้นพอมาพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็มีคําถามขึ้นว่าอ้าวแล้วอะไรคือไอ้เรื่องชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันรู้กันอยู่ทุกคนแต่ไอ้เรื่องถูกและเรื่องผิดเนี่ยคืออะไรและอะไรมันเป็นมาตรฐานอะไรเป็นไม้บรรทัดที่เราจะเอามาไว้วัดว่า อะไรกันแน่คือถูกและผิดซึ่งแต่ละคนแต่ละองค์กรก็มีถูกและผิดที่ตามวัฒนธรรมตามประเพณีกันไปว่าค่านิยมแบบนี้ดีพอไปอีกสังคมหนึ่งค่านิยมแบบนี้อาจจะไม่ดีก็ได้แล้วอะไรคือมาตรฐานกลางมาตรฐานกลางที่ดีที่สุดก็คือ อ, อ, อริยมรตมีองแปด อริยมรรคมีองค์แหรือถ้าเราจะย่นย่อให้มันคุ้นเคยกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆก็คือศีลสมาธิปัญญาเล ย, เ, ลยเพราะนั้นมีศีลเป็นกรอบนอกที่สุดที่เราควรจะต้องเอาไว้เป็นกรอบคุณงามความดีกรอบถูกกรอบความถูกความผิดของเราเพราะถ้าเมื่อไหร่เราศีล5้าที่เรามีมันด่งร้อย มันขาดทะลุอย่างเงี้ยขึ้นชื่อว่าเราได้มีแนวโนม้มมีพฤติกรรมที่จะเบียดเบียนคนอื่นและเบียดเบียนตัวเองอย่างสิงข้อแรกอย่างเงี้ยข้อแรกก็คือการที่เรายังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปเนี่ยก็คือสมมุติเราฆ่าสัตว์ทําร้ายสัตว์เราก็ทําร้ายคนได้มันก็บ่มเพราะความ ความเกล้าเล้าในใจให้มันมากขึ้นถ้าเราทําอย่างนี้ได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าเราดูในข่าวะเราก็จะเห็นว่าสมัยนี้เนี่ยคนเราก็ดูเหมือนจะสับไสรุ่นเครียงหัวมันร้อนหัวร้อนขึ้นหัวร้อนขึ้นก็คืออารมณ์มันร้อนเพราะอะไรเพราะเราสั่งสมนะสั่งสมเราอาจจะไม่ได้คํานึงถึงว่าเราจะมาปฏิบัติให้ศีลของเรามันดี การที่เราเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนจากความเริ่มต้นจากความคิดเริ่มต้นจากความรู้สึกมันก็ทลักออกไปเป็นทางกายทางวาจาไปแต่ถ้าเรามีสีเนี่ยยังน้อยๆเราไม่เบียดเบียนเขาด้วยกายเราไม่เบียดเบียนเขาด้วยวาจาพอเราไม่เบียดเบียนเขาด้วยวาจาไม่เบียดเบียนเขาด้วยกายเนี่ยยังน้อยๆมันก็ร่มเย็นเพราะเราไม่ไม่ทำร้ายกันเราไม่เบียดเบียนกัน ทีนี้ถ้าต่างคนต่างมีศีลที่มันเป็นกรอบอย่างดีอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องรับประกันว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างที่เราไม่เบียดเบียนกันเราก็ไม่เบียดเบียนเขาเพราะเราก็มีศีลพยายามรักษาศีลให้บริบูรณ์เขาก็มีศีลที่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่า อ, อย่างน้อยๆเขาก็จะไม่เบียดเบียนเราทั้งกายทั้งวาจา เพราะนั้นสีมันเป็นเครื่องที่ทำให้สังคมมันอยู่ร่มเย็นแต่ที่สังคมมันเร่าร้อนเพราะถ้าเกิดว่ามันก็เป็นตัวชี้วัดเนี่ยว่าเรามีสีที่มีคุณภาพมากน้อยเท่าไหร่มันก็จะขึ้นชื่อว่าเราได้เป็นพุทธศาสนิกชนอย่างมีคุณภาพตามที่พระพุทธเจ้าได้วางแนวไว้ใหม่ แต่ทีนี้เป็นพุทธศาสนนิกชนอย่างที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีกับพระพุทธเจ้าหรอกมัน ก, ก็จะดีกับตัวเราเองนี่แหละเพราะว่าคําสอนทั้งหมดทั้งมวลมันก็ไปเพื่อใครเพื่อผู้ปฏิบัติเองทั้งนั้นสิ่งที่มีก็เพื่อผู้ที่ปฏิบัติเองทั้งนั้นทําให้เราเป็นผู้ที่มีความเถือดร้อนทางกายได้ลดลงมีเครื่องบิดเบี้ยนจากภายนอกที่ลดลงเพราะอะไร เพราะว่าเรามีสิลที่อย่างสิลข้อแรกเนี่ยเราบริบูรณ์แล้วก็ไม่ทําร้ายใครไม่เบียดเบียนใครเนี่ยอย่างน้อยๆยศัตรูมันก็ไม่มากยิ่งเรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาให้กับคนอื่นเนี่ยคนรักมันต้องมากกว่าคนชังแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เรื่องที่จะมีคนมาเบียดเบียนจากการที่เขารังเกียจเราเขาไม่ชอบเรามันก็น้อยลงเพราะเรามีมี สี่ที่บริบูรณ์แล้วเราก็มีเมตตามีมิตรพร้ะฉะนั้นเรื่องเบียดเบียนจับภายนอกมันก็จะลดลงไปด้วยอันนี้แค่ข้อเดียวข้อเดียวมันก็เห็นอ น, นิสสง์มากมายเลยว่าโอ้ปัญหาในชีวิตของเรามันก็ลดลงไปได้เยอะยิ่งถ้าเราทำได้หลายๆข้อหรือทำได้ทุกข้อให้มันบริบูรณ์เนี่ยชีวิตเรายิ่งจะเป็นชีวิตที่เบาสบายเบาสบายมากขึ้นไปอีก เราไม่เบียดเบียนใครนะเราไม่ขโมยของใครนะเรามีคู่เราก็ไม่นอกใจคู่พอไม่นอกใจคู่เราเนี่ยครอบครัวก็ยิ่งร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยเวลาคนที่มีคู่แล้วนอกใจคู่เนี่ยโอ้มันปัญหาตามมาจิปาทะทั้งการทะเลาะเบาแว่งกันต้องโกหกกันมีเงินก็ต้องเบียดมีใช้ไม่พอนะ มีต้องคอยยักเอาไว้เอาไว้ไปใช้จ่ายอีกทางหนึ่งซึ่งมันก็เป็นข้อดีชี้ให้เห็นว่าเวลามีสีนบริบูรณ์มันไม่ดีเออมีสีนไม่บริบูรณ์เนี่ยมันไม่ดีเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเรารู้เราได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยว่าอนุภาพของการที่เรารักษาศีลได้ดีเนี่ยชีวิตมันร่มเย็นนะก็อยากจะให้เรายึดมั่นยึดมั่นในศีล ให้มีศีลเป็นธรรมนูนของชีวิตของเราเป็นกรอบของชีวิตของเราให้เราไปมีศีลเนี่ยเป็นเป็นเส้นที่วัดความถูกผิดของเรานะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเส้นความถูกผิดแล้วนะเราก็แยกออกจากความถูกต้องเออถูกใจและไม่ถูกใจได้ดีขึ้นถ้าบางอย่างมันถูกใจนะ แต่มันต้องไปเบียดเบียนคนอื่นคือการละมิดสีลเนี่ยมันก็ต้องหักใจเอาไว้แต่ถ้าบางอย่างที่มันถูกใจนะแล้วมันก็ไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมอะไรเพราะฉะนั้นก็ทำไม่ได้เต็มที่แต่ถ้าบางอย่างที่เ อ, อมันไม่ถูกใจแล้วเราก็เออแต่มันถูกศีลถูกธรรมอย่างเงี้ยก็ต้องหัดฝึกหัดขัดเกลาให้ไม่ชอบแต่เราก็ต้องทาให้ได้ เพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้จักถูกจักผิดอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะส่งมันมันจะส่งผลมาที่จิตใจของเราเนี่ยแหละว่าเรารู้จักถูกเรารู้จักผิดเรารู้จักชอบไม่ชอบเนี่ยบางอย่างที่มันถูกแล้วก็ชอบแล้วก็มีกำลังใจทําได้ดีบางอย่างที่มันถู ก, แ, ก, แ, ก, ก, ถกแต่ใจเราไม่ชอบเนี่ยเราก็พยายามฝึกหักให้มันดีเราก็จะเป็น คนที่มีศักยภาพทางใจเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็ย้อนกลับมาขัดเกลาจิตใจเราเนี่แหละว่าจิตใจของเราเนี่ยจะเป็นจิตใจที่หนึ่งไม่โหดร้ายนะไม่มึน ง, งงมึน ง, งุนนะเพราะว่าเราก็พยายามที่จะมีสติคอยรู้เท่าทันมันอยู่ตลอดเวลาที่เรามีศีลนะ เราม um, ีเรื่องภายนอกที่มันวุ่นวี่วุ่นวายน้อยลงแล้วเนี่ยแต่อย่างน้อยๆเนี่ยไอ้เรื่องที่มันลำคาญใจมันก็ยังมีความเบื่อความเหงาความเศร้ามันก็ต้องมีแน่นอนทีนี้ถ้าเรามีเครื่องอยู่อย่างที่ว่าเรามีเครื่องอยู่ที่ดีนะเวลาที่ใจเราเนี่ยปกติที่เราไม่มีเครื่องอยู่มันก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันชอบใจออกไปแต่ถ้าเรามีเครื่องอยู่ที่ดี อย่างเช่นลมหายใจเป็นตน้นเวลาเราว่างเวลาที่เร า, เาว่างจากการงานเราหัดมาดูจิตใจของเราเนี่ยมันก็ค่อยๆฝึกนิสัยว่าให้เราเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่มีสติดีขึ้นพอพูดถึงเขาว่าสติดีขึ้นเนี่ยมันก็มีคำถามว่าแล้วปกติเราไม่มีสติกันหรือไงคือปกติเราก็มีสติกันอยู่แล้วนะแต่สติที่มันเป็นไปเพื่อที่เราจะมา ลดทอนความทุกข์เนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสติ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังฝึกเนี่ยไม่ใช่ฝึกสติทั่วๆไปแต่เราฝึกสัมมา ส, ต, ต, า ส, มมาสติให้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแล้ไอ้สติทั่วๆไปมันไม่ดียังไงมันก็ดียอย่างสติไอ้ตัวๆไปเราก็ใช้ทําการงานตัวๆไปของเรานะมันก็เอาไปหาประโยชน์ต่างๆได้แต่สติที่มันดีขึ้นไปอีกที่เราจะมาลดทอนความทุกข์ได้เนี่ย ก็คือสติที่เรียกว่าสัมมาสติมันจะเป็นสติที่เป็นไปเพื่อความหน่ายไม่ใช่ความเบื่อหน่ายนะความหน่ายหน่ายเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรเราจึงเบื่อหน่ายมันหน่ายมันใครกาหนัดหน่ายใครกาหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับไม่เหลือ เพราะฉะนั cioè, ้นสติที่เรามีเนี่ยถ้ามันเป็นสติที่มันเป็นสมัมมาสติแล้วเนี่ยมันจะพัฒนาใจของเราเนี่ยไปเพื่อแบบนี้ไปเพื่อความหนายคลายกนหนั์เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับไม่เหลือซึ่งความดับไม่เหลือของอะไรคือความดับไม่เหลือของความทุกข์เรานี่แหละเพราะฉะนั cioè, ้นถ้าเราพัฒนาสติไปจนถึงขั้นที่ว่าเรามีสัมมาสติเกิดขึ้นได้ไดบ่อยๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่า ความเบื่อความเศร้าความเหงาความเซงความหมดหิดฟุ้งซ่านทางใจเนี่ยมันก็จะได้รับการบริหารจัดการไปด้วยเพราะการที่เรามีจิตใจเรื่อนรอยแสดงว่าสติที่มันเป็นสัมมาสติของเราเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแล้วใจที่มันหนีออกไปไปอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วมันเป็นไปเพื่อความยินดียึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มีความยึดติดว่ามันจะต้องอยู่กับเราอยู่กับเราอย่างยั่งยืนมั่นคงไม่จากหายกันไปไหนไม่แตกสลายหายไปพอเรามีสติเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอ้สิ่งที่เรารู้สึกไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องละมันค้านกับความเป็นจริงมันค้านกับสิ่งที่เราจะผลักดันตัวเองออกจากทุกเนี่ยมันค้านกันไอ้ความยึดมั่นถือมั่นยึดติด มันไม่ใช่นี่มันเป็นไปเพื่อความทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาเรามีสติระลึกอยู่ได้ถ้าอยู่เนืองที่มันเป็นไปเพื่อความหน่ายใครกําหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้เพราะเป็นไปเพื่อความดับไม่เหลือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้สติที่เรามีแต่เก่าความรู้ที่เรามีแต่ก่อนมันยังไม่ถูกต้องมันยังพัฒนาใจให้เราไปเป็นใจที่มีศักยภาพในการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้แต่เราก็คอย คอยเตือนคอยบอกคอยสอนแล้วก็ทำให้มันถูกทางอยู่เรื่อยๆอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราพอทำได้คือแน่นอนของเก่าก็มีของใหม่แล้วก็ฝึกแต่จะบอกว่าจะให้ฝึกแล้วมันใหม่ของใหม่มันดีอยู่ตลอดตลอดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แป๊เดียวมันจะดีเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วพัฒนาการจากการที่เราจะทำให้มันดีขึ้นเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากการที่เรารู้ว่ามันผิด แล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นทุกข์นี่แหละคือการที่มันจะเห็นพัฒนาการอยู่ตรงนี้ถ้าเรารู้ว่ามันผิดเมื่อไหร่แสดงว่าเรามีความเห็นที่มันถูกต้องพอเราเห็นที่มันถูกต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นเหตุเกิดทุกข์เราก็ไม่สนใจไปเราก็ดึงใจกลับออกมาแต่กลับออกมาแล้วเราจะตั้งไว้อยู่ที่ไห น, นก็ต้องมีเครื่องอยู่ที่เราคุ้นจินให้มันที่ว่ามันจะกลับมาได้อยู่ทุกครั้งที่ ท, ที่มัน จะต้องกลับมาก็คือที่ลมหายใจของเรามีความตั้งมั่นอยู่ในภายในมีความสงบที่มันตั้งมั่นอยู่ในภายในเป็นเครื่องอยู่และสิ่งที่สําคัญนอกจากนอกเหนือจากความสงบที่เราควรจะมีควรจะได้แล้วเนี่ยก็คือความที่เราจะต้องรู้รู้เท่าทันตามความเป็นจริงสําคัญนะก็อย่างที่ได้พูดไปตอนต้นว่าทําไมเราถึงทุกข์ ใจเรามันค้านกับความเป็นจริงที่ที่มันมีมันเป็นเราอยากให้คนนี้ครอบครัวพ่อแม่อยู่กับเราตลอดอยู่กันไปจนแก่เท่าไม่มีวันตายจากกันหรือแม้คนรักเราเราก็จะอยู่กันไปจนแก่เท่าไม่มีวันตายจากกันเรารู้สึกอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ความเป็นจริงก็คือสักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมัน ตั้งอยู่บนความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาสักวันหนึ่งมีความพลัดพรากจากกาันตลอดมันต้องมาถึงสักวันหนึ่งเนะี่ยความพลัดพรากเพราะฉะนั้นถ้าเราเรามีใจที่มันยอมรับความจริงอันนี้เข้าใจความจริงอันนี้อยู่ในใจอยู่ไดเ้เวลานั้นที่มันมาถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทุกข์เลยแต่เราจะเป็นผู้ที่ ทุกอย่างพอดีทุกอย่างที่ไม่ตีอกชกหัวบ้าใบาเสียสติแล้วก็ไม่ทุกตอกย้ําความทุกข์จนเราเสียความเป็นตัวเป็นตนหาความสุขในชีวิตไม่ได้เราจะไม่ถึงขนาดนั้นเราก็จะรู้จักทุกแล้วเราก็จะรู้จักปล่อยวางพอไปถึงจุดหนึ่งเราก็จะรู้จักว่ามันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้น ความทุกข์ที่มันมีที่เรามีอยู่เรารู้สึกอยู่สักวันมันก็เป็นธรรมดาทีเดีเดี๋ยวมันก็หมดไปเหมือนกันมันก็ย้อนกลับไปตรงที่พุทธภาษิต ท, ที่ได้เกิดเอาไว้เบื้องต้นนี่แหละทีแ่แปลว่าสัพเเวสังฆาราอนิจจติยาดาปัญญายาปสติก็หมายความว่าเมื่อใดที่เรารู้แล้วว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอาธานิบินตติตุกเชเอสามมคโววิสุทติยาเมื่อ น, นั้นนะเราก็จะมีความหน่ายในทุกได้เพราะเรารู้ความเป็นรู้ตามความเป็นจริงเราก็จะเห็นว่ามันเป็นทุกเนี่ยมันก็หน่ายหน่ายในสิ่งเหล่านั้นได้ไอการที่เรามารู้เห็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเอสามมคโววิสุทติยามันเป็นทางเป็นทางที่ทําให้เราเนี่ยเป็นผู้หมดจดได้ หมดจดก็คือใจเราหมดจดปราศจากความทุกข์ปราศจากเชื้อของความทุกข์ทั้งหมดทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นก็ก็อยากจะสรุปให้ฟังว่าถ้าเรามีใจนะที่เราไม่ย้อนแย้งไปกับความเป็นจริงมีใจที่รู้เท่าทันตามความเป็นจริง มีใจที่เข้าใจตามความเป็นจริงได้ที่ใจนะต้องย้าว่าที่ใจไม่ใช่ที่ความคิดมีความคิดแล้วก็ต้องสอนใจด้วยถ้าเราทำให้ความคิดและใจมันเป็นหนึ่งให้ใจกับความคิดมันไปในทางเดียวกันได้ความรู้สึกในใจกับความคิดในใจมันไปทางเดียวกันได้เป็นไปในทางเดียวกันแบบที่รู้เห็นตามความเป็นจริงได้เราก็ขึ้นชื่อว่า เราเป็นผู้ที่จะมีเบื้องหน้าต่อความหมดจดจากอุปธิคือเชื้อของความเกิดไปได้คือเชื้อของความทุกข์ไปได้ที่ได้บรรยายรร ม, มาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุตติพระธรรมเทศนาลงแต่เพียงเท่านี้เอวัง